บ้านพักหลอนที่หัวหินเรื่องจริงสุดโด่งดังในอดีตสมผัสสยองสวัสดีครับชาวสมผัสสยองทุกคนวันนี้ทางเรามีประสบการณ์สยอง ของน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังซึ่งมันเป็นประสบการณ์ไปเที่ยวปีใหม่ในช่วงวันหยุดยาวเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเล่าเรื่องให้ฟังสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังถ้าชอบก็อย่าลืมกดปุ่มซับ c r คร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับและสำหรับสมาชิกเก่าที่ติดตามช่องสัมผัสสยองของเราอยู่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ล่าสุดของเราด้วยในส่วนของเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ทางเราขอใช้นามสมมุติของตัวละครทั้งหมดและขอไม่ระบุสถานที่จริงเรื่องนี้เป็นประสบการณ์หลอนของไม่จากการที่ได้ไปเที่ยวปีใหม่ในช่วงวันหยุดยาวเมื่อหลายปีที่ผ่านมาครอบครัวของไม่ได้เดินทางไปเที่ยวสวนพึ่งราชบุรี และหัวหินสองวันแรกที่ไปเที่ยวสวนพึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างปกติดีจนมาเข้าวันที่สามและสี่พวกเราได้มาพักที่บ้านพักหัวหินหลังหนึ่งซึ่งบ้านพักหลังนี้ไม่ได้ทำการจองผ่านเว็บไซต์ตัวแทนแห่งหนึ่งหม้จองไว้ตั้แต่เดือนตุลาคมเมื่อมาถึงที่พักซึ่งเป็นบ้านเดียวมีสี่ห้องนอนสมห้องน้า มีสาวย้ายน้ำในตัวบริเวณบ้านมีที่จอดรถสำหรับจอดรถได้สามคันของใช้อุปกรณ์ภายในบ้านครบครันเหมือนกับเป็นบ้านที่มีคนอยู่จริงๆไม่ได้มีไว้แค่ให้เช่าราคาค่าเช่าของบ้านหลังนี้อยู่ที่คือละหนึ่งบาทมันเพียบพร้อมและสะดวกมากๆสำหรับครอบครัวใหญ่ของไม่ พวกเราไปกันถึง14คน4ครอบครัวครอบครัวที่1เป็นครอบครัวของพี่สาวมีพี่สาวพี่เขยลูกชายลูกสาวครอบครัวที่สองเป็นครอบครัวของนามีคุณนาน้าเขยและลูกสาวอีกสองคนครอบครัวที่สเป็นครอบครัวของไมมีไมและแฟนของไม ครอบครัวที่4เป็นน้องชายแฟนน้องชายและเพื่อนของน้องชายอีกสองคนวันแรกที่เข้าพักหลังจากเดินทางมาถึงก็เจอเจ้าของบ้านเมื่อรับกุญแจจากเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านก็บอกรายละเอียดต่างๆเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นผู้หญิงผิวคล้ำตัวเล็กท่าทางเจ้าระเบียบอยู่เหมือนกัน อายุเดาราวส4่สปีเขาบอกว่าเป็นบ้านของเขากับสามีฝรั่งแต่ตอนนี้สามีกลับไปประเทศของเขาก็เลยปล่อยให้เช่าส่วนตัวเขาไปอยู่กับลูกสาวในตัวเมืองความรู้สึกแรกที่มาเข้ามาในบ้านหลังนี้มันรู้สึกแปลกแปลกแปลกแบบบอกไม่ถูกรู้สึกหดหูและวังเวงชอบกล เอโดยปกติแล้วไม้เป็นคนค่อนข้างมีเซนกับสิ่งแปลกๆเหล่านี้ทีน่นี่ด้านหน้าบ้านมีหิ้งพระเมื่อไม้เห็นก็ยกมือไหวเพื่อบอกกล่าวว่าจะมาเข้าพักไปพักที่ไหนก็ต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนเสมอมันทำให้ไม้สบายใจขึ้นแต่สำหรับทีน่นี่กลับรู้สึกวังเวงชอบกลแต่ก็คิดว่า คงเพราะเดินทางมาเหนื่อยก็เลยเกิดอาการแบบนี้เมื่อจัดของแยกย้ายสัมภาระเข้าห้องใครห้องมันก็ถึงเวลาสนุกทุกคนก็เล่นน้ําในสระว่ายน้ำํำย่างสนุกสนานพวกหนุ่มๆก็ตั้งวงดื่มเบียร์ริมสระว่ายน้าพอถึงเวลาสี่ทุมก็ส่งเด็กๆ เ, เข้านอนกันหมดเหลือแต่หนุ่มๆห้าคนที่นั่งดื่มเบียร์กันอยู่ พวกเราสาวๆสามคนมีพี่สาวตัวไม้และแฟนของน้องชาย <c oughs> ก็มานั่งคุยเล่นใกล้ๆวงเบียสักพักพี่สาวก็พูดขึ้นว่าเฮ้ย <c oughs> แกว่าบ้านหลังนี้เป็นไงวะตอนนั้นไม้ตงิดตงิดในใจแล้วแต่พยายามเบี่ยงเบนแล้วบอกไปว่าก็สวยดีนะพี่สาวไม้ก็บอกว่าสวยดีแต่มันแปลกๆปก แล้วพี่เขยก็ตะโกนมาจากวงเบียว่าแปลกไงวะคิดมากนะ่ะไปนอนได้แล้วแฟนน้องชายก็หันมามองหน้าไมา้แล้วพูดว่าเจ๊ว่าไงปกติแล้วไม้จะสนิทกับแฟนน้องชายมากน้องเขารู้ได้ว่าไม้เป็นคนมีเซนแต่ไม้ก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกพี่ไหวเจ้าที่แล้วไปนอนกัน แฟนน้องชายก็เข้าไปนอนในห้องไมค์ก็เข้านอนเหมือนกันเหลือเพียงแต่พี่สาวที่ยังนั่งจัดกับแกรมให้บรรดาหนุ่มๆเวลาเที่ยงคืนไมค์ก็ยังนอนไม่หลับอาจจะเพราะผิดที่ก็เลยนั่งเล่นมือถือไปเรื่อยๆจนถึงตีหนึ่งหนุ่มๆก็แยกย้ายกันเข้านอนเพื่อนของน้องชายที่มาด้วยสองคนนอนอยู่ที่ห้องรับแขก เมื่อแฟนไมคเข้ามาในห้องก็แปลกใจว่าทําไมไมยังไม่นอนไมยจึงบอกว่าผิดที่เดี๋ยวก็หลับแล้วเริ่มง่วงแล้วละ่ะเวลาตีสองแฟนไมคก็หลับไปแล้วแต่ไมก็ยังไม่หลับเดินลุกมาเข้าห้องน้ําที่ห้องรับแขกเพราะในห้องไม่มีห้องน้ําในตัวมีเฉพาะห้องพี่สาวกับน้าเท่านั้น หม้เดินมาเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่ได้เปิดไฟห้องเดินมามืดมดนั่นแหละเพราะเกรงใจเพื่อนของน้องชายที่นอนอยู่โซฟาห้องรับแขกแล้วสายตาหมายก็เหลือบไปมองที่สาบว่ายน้ำแล้วสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนั้นนั่นก็คือหลานสาวหมยลูกของนาอายุร า, ราวๆแปดขวบน้องนั่งอยู่ริมสะ ไม่รีบเดินออกไปหาหลานที่นั่งหันหลังอยู่ริมสะและห้อยขาลงในน้ำไม่เรียกชื่อน้องเบลมาทำอะไรลูกทำไมไม่นอนแต่ก็เงียบไม่มีเสียงตอบกลับใดๆสักพักหลานไม้ก็หัวเราะเอามือตีน้ำเหมือนกําลังเล่นอยู่ตอนนั้นไม้ใจไม่ดีแล้วรีบเปิดไฟแล้วเปิดประตูหลัง ที่ทะลุไปสะไหว้น้ําได้เพื่อนน้องชายสองคนก็ตื่นเพราะตกใจเสียงไม้ที่เรียกหลานดังมากเมื่อเดินไปถึงตัวน้องเบลก็เห็นว่าเธอกำลังนั่งหลับตาหัวเราะและเล่นน้ําไปด้วยไม้รีบดึงตัวหลานมาเขย่าแต่ก็ไม่ตื่นซ้ายังหัวเราะอีกแล้วเพื่อนของน้องชายก็มาช่วยอุ้มหลานเข้ามาในบ้าน ไม้จึงไปปลุกให้หน้าสาวมาดูหลานเมื่อน้ารู้ก็ตกใจมากเพราะไม่รู้เลยว่าน้องเบลลุกไปตอนไหนจนกระทั่งตอนนี้น้องเบลก็ยังไม่ตื่นยังหลับตาอยู่น้าสาวจึงถอดชุดที่เปียกแล้วเปลี่ยนให้น้องเบลใหม่จากนั้นก็เรียกน้าเขยมาดูไม้รู้สึกใจคอไม่ดีเยียวมากๆ จึงเดินไปที่หิ้งพระหน้าบ้านแล้วพูดว่าอย่ากแกล้งพวกเราเลยพวกเรามาเที่ยวไม่ได้มีเจตนาไม่ดีพอพูดจบไมคก็เดินกลับไปหาหลานก็เห็นว่าน้องเบลตื่นแล้วและคนในบ้านก็ตื่นกันหมดเลยเพราะเ อ, อะอะคันเสียงดังมากเมื่อมองดูนาฬิกาก็เห็นว่าเป็นเวลาตีสองใกล้ตีสามแล้ว น้าคงไม้ถามน้องเบลว่าออกมาได้ยังไงหลานก็บอกว่ามีคนชวนมาบอกให้ไปเล่นน้ำด้วยทุกคนมองหน้ากันแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรน้าเคยคิดว่าน้องเบลคงเล่นน้ำในตอนเย็นแล้วเก็บเอาไปฝันไม่มีอะไรหรอกแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปนอนถ้าคิดในแง่ดี ปกติหลานไมยคนนี้จะชอบนอนละเมออยู่แล้วอาจจะละเมอจริงๆก็ได้แต่มาคิดดูอีกทีถึงจะละเมอยังไงก็ไม่น่าจะเป็นถึงขนาดนี้เวลาตีสาสนาทีทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วแต่ไม้ก็ยังนอนไม่หลับแฟนไมยจึงเอายาเม็ดสีเหลืองๆที่ไว้ทานเวลาเมารถมาให้ทานแล้วไม้ก็หลับไป ตื่นมาอีกทีก็เจ็ดโมงเช้าแล้วพวกเราก็ออกไปหาอะไรกินกันไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อคืนเลยเพราะคิดว่าน้องเบลละเมอจริงๆวันนั้นพวกเราไปเที่ยวที่ต่างๆหลายที่แต่ไม้ก็ไม่มีความสุขทั้งวันใจคอไม้ไม่ดีคิดแต่เรื่องเมื่อคืนไม่อยากจะพักที่บ้านหลังนี้ต่อไปอีกแล้วไม้บอกกับแฟนว่า ย่าว่าไมคิดมากนะแต่ไม่ว่าบ้านหลังนี้มันแปลกๆ แ, แฟนไม้ก็ตอบกลับมาว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเรื่องแค่นี้ยเยาวมาคิดมากนะไม้ก็เลยไม่พูดอะไรต่อสักพักแฟนของน้องชายก็มาคุยกับไม้แล้วบอกว่าเมื่อคืนฝันเห็นผู้ชายฝรั่งคนหนึ่งมานั่งกินเบียร์ในวงพวกผู้ชายแล้วเธอก็พูดติดตลกอีกว่า สงสัยจะอยากได้แฟนฝรั่งก็เลยเก็บเอาไว้ฝันแล้วทุกคนที่ได้ฟังก็ขำกันรวมทั้งไม้ด้วยแต่ในใจของไม้ไม่รู้สึกขำเลยคืนที่สองเวลาประมาณสามทุ่มกว่าๆหลังจากไปตลาดโต้รุ่งกลับมาแล้วซื้อของมาปิ้งย่างกันริมสระน้ำไม้อาสาอยู่เป็นเพื่อนหลานๆให้พี่สาวและนาสาว ได้ไปปาร์ตี้กันให้เต็มที่ไม้อยู่กับห ล, หลานๆที่ห้องใหญ่ก็ชวนเล่นนั่นนี่ไปตามระษาแล้วอยู่ๆน้องเบลก็พูดกินว่าเมื่อคืนเบลไม่ได้นอนละเมอนะคะมีน้าฝรั่งมาอุ้มเบลไปเล่นน้ำค่ะสนุกมากเลยร้องเพลงภาษาอังกฤษให้เบลฟังด้วยพอไม่ได้ยินก็ถึงกับขนลุกเชื่อว่าน้องเบลพูดจริง ไมเลยถามต่อว่าเบลรู้จักเขาเหรอลูกถึงได้ไปเล่นกับเขาน้องเบลก็ตอบว่าไม่รู้ค่ะแต่เขามากับป้าผู้หญิงที่เอากุญแจมาให้เราไงคะเบลจาได้ไม่ก็ถามต่ออีกว่าเบลเห็นเขาตอนไหนคะลูกเบลบอกว่าเขายืนอยู่ตรงระเบียงค่ะตอนที่น้ายไมคุยกับคุณป้าผู้หญิงอยู่ ตอนนั้นสติไม้เริ่มเลิดแล้วจึงบอกให้น้องเบลนอนพรุ่งนี้เช้าจะได้ไปสวนน้ำกันแล้วเด็กๆก็หลับไปตอนนั้นก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วไม้ก็ไปอาบน้ำแล้วเข้านอนส่วนหนุ่มๆก็ยังนั่งดื่มกันต่อจนเวลาเที่ยงคืนไม้ก็ยังนอนไม่หลับกระสับกระส่ายไปมาก็เลยตัดสินใจเก็บของเพื่อฆ่าเวลา พราพรุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านกันแล้วพยายามจะไม่คิดมากเวลาเที่ยงคืนครึ่งก็จัดของเสร็จพอดีไม้ก็ออกมาเข้าห้องน้ําก็เห็นหนุ่มๆยังคงดื่มกันอยู่พอเข้าห้องน้ําเสร็จก็กลับไปเข้าห้องนอนพอนอนลงก็ยังคงนอนไม่หลับอีกนึกขึ้นได้ว่าเตียงนั้นมีชั้นเก็บของอยู่ด้วยก็เลยลองเปิดลิ้นชักดูเพื่อจะมีหนังสืออะไรให้อ่าน แต่แล้วสิ่งที่ไม้ได้เจอนั้นก็คือรูปถ่ายมันเป็นรูปถ่ายงานแต่งงานของพี่เจ้าของบ้านกับฝรั่งสามีของเขารูปนั้นมีอยู่ประมาณสองอัลบั้มได้ไม้ก็เปิดดูไปเรื่อยๆอัลบั้มแรกก็เป็นรูปถ่ายงานแต่งธรรมดาพอเปิดไปอัลบั้มที่สองมันก็ยังเป็นรูปถ่ายงานแต่งอยู่ แต่พอเปิดไปจนใกล้จะหมดก็เห็นว่าจากรูปงานแต่งงานมันกลับกลายเป็นรูปงานศพซึ่งรูปในงานศพนั้นเป็นรูปฝรั่งสามีของเจ้าของบ้านนั่นเองหมายถึงกับชอ็อกขนลุกหน้าชามือเท้าเย็นตัวแข็งทื่อไมพยายามตั้งสติแล้วก็เดินออกมาจากห้องบอกกับทุกคนว่านอนได้แล้ว พรุ่งนี้เช้าจะได้รีบกลับทุกคนทำหน้างงแล้วแฟนไม้ก็พูดกันว่าจะรีบกลับทำไมออกบ่ายก็ได้จะได้พาเด็กๆไปสวนน้ำด้วยไม้จึงบอกว่ารู้สึกป่วยอยากกลับบ้านแฟนจึงเข้ามาจับตัวไมยดูแล้วก็บอกว่างั้นตอนเช้าจะพาไปหาหมอก็แล้วกันจากนั้นแฟนก็แยกมานอนด้วยในคืนนั้น ในใจของมายอยากเล่าให้เขาฟังมากแต่ก็คิดว่าค่อยไปคุยกันตอนกลับบ้านดีกว่าตอนนั้นมายอยากเอารูปงานแต่งงานไปให้น้องเบลดูว่าฝรั่งคนที่มาอุ้มไปเล่นน้ำใช่คนในรูปนี้ไหมและอยากจะถามแฟนน้องชายดีว่าใช่ฝรั่งคนนี้หรือเปล่าที่ฝันถึงเพราะลักษณะที่เธอเล่าให้ฟังนั้นมันใกล้เคียงกันมาก พอเช้ามาตัวไม้ก็ร้อนจริงๆป่วยจริงๆแฟนของน้องชายไม้ก็เข้ามาหาที่ห้องแล้วบอกว่าฝันอีกแล้วคราวนี้ฝันว่ามานอนด้วยเลยสีหน้าของเธอนั้นดูกลัวมากไม่ตลกแล้วไม้เลยหยิบรูปถ่ายในลิ้นชักออกมาอัลบั้มแรกที่มีแต่รูปแต่งงานแล้วถามว่าใช่ฝรั่งคนนี้ไหม เธอพูดเสียงดังเลยว่าเฮ้ยใช่คนนี้เลยเจแต่ไมยังไม่ทันได้บอกอะไรก็เอารูปอัลบั้มเดียวกันนั้นไปให้น้องเบลดูน้องเบลก็บอกว่าใช่ค่ะนะคนนี้แหละเมื่อคืนก็มานะคะมากกวักมือเรียกให้เบลไปเล่นน้ำด้วยแต่เบลไม่ไปกลัวมาม่าดุอีกตอนนี้ไมได้รู้ทุกอย่างแล้วว่า สิ่งที่พวกเราเจอนั้นมันคืออะไรแต่ไม่ก็ไม่ได้เอารูปงานศพให้ใครดูเลยเกลงว่าพวกเขาจะกลัวกันแฟนน้องชายไม่ก็ถามว่าถามทำไมมีอะไรเธอสงสัยมากแต่ไม่ก็ไม่ได้ตอบเวลาประมาณ1ิบโมงแฟนของไม่ก็กลับมาจากไปซื้อยาเพื่อเอามาให้ไม่จึงบอกว่าอยากกลับบ้านแล้ว ตอนนั้นทุกคนก็เตรียมของที่จะกลับกันอยู่พวกเราโทรไปหาเจ้าของบ้านบอกให้มารับกุญแจด้วยแต่เจ้าของบ้านบอกว่าให้นำกุญแจไปวางไว้ตรงชั้นวางของหน้าบ้านที่ด้านบนแล้วก็กลับได้เลยฮอนุ่มๆจัดกระเป๋าขึ้นรถน้าสาวและพี่สาวก็แต่งตัวให้กับเด็กๆ เ, เพื่อเตรียมขึ้นรถ เหลือเพียงแต่ไม้กับแฟนน้องชายเท่านั้นไม้ได้บอกให้แฟนน้องเอากุญแจไปวางไว้ที่ด้านบนของชั้นวางของพวกเราก็เดินเอากุญแจไปไว้โดยแฟนของน้องชายต้องใช้เก้าอี้มาปีนขึ้นไปเพื่อเก็บกุญแจเมื่อปีนขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วเธอก็ทำหน้าตกใจสุดขีดไม้จึงถามว่ามีอะไร กลับได้คำตอบกลับมาว่าเจ๊มาดูเองเถอะไม้จึงปีนขึ้นไปดูแล้วสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือรูปฝรั่งแฟนเจ้าของบ้านวางอยู่บนหิ้งพระซึ่งตอนที่ไมยมาไหว้ในครั้งแรกคิดว่าเป็นหิ้งพระแต่แท้จริงแล้วมันคือหิ้งสําหรับไหว้รูปเจ้าของบ้านแฟนน้องไมยถึงกับชอก พวกเรารีบเดินไปขึ้นรถกันแล้วพวกเราก็ออกจากบ้านหลังนั้นมาระหว่างที่นั่งอยู่ในรถไม้ก็เงียบมาตลอดผิดกับที่ปกติจะเป็นคนพูดมากแต่แฟนไม้ก็คิดว่าไม้คงป่วยก็เลยดูซึมๆเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงพวกเราก็แวะทานข้าวร้านอาหารข้างทางแฟนน้องชายคงอึดอัด จึงพูดว่าใครเจออะไรบ้างไหมที่บ้านหลังนั้นทุกคนจากที่พูดพูดกันอยู่ก็เงียบในทันทีแล้วนาสาวไม้ก็บอกว่าน้องเบลเพ้อหัวเราะเหมือนเล่นกับใครกลางดึกพี่เคยพูดว่าเขตดแล้วไม่มาแล้วที่นี่จากนั้นก็เล่าต่อว่าตอนที่อยู่ในบ้านไม่อยากจะเล่าให้ฟัง กลัวว่าเด็กๆและคนอื่นจะกลัวช่วงดึกตอนที่นั่งดื่มเบียร์กันอยู่เขาได้หันไปทางสระว่ายน้ำ <c oughs> ก็เห็นฝรั่งนั่งอยู่ริมสระแล้วยกแกว้วเหมือนจะขอชนด้วยแต่เขาก็ทําเป็นไม่สนใจเพราะรู้แล้วว่านั่นไม่ใช่คนแน่ๆเพื่อนของน้องชายสองคนที่นอนอยู่ที่โซฟาก็บอกว่าคืนแรกช่วงที่พวกเขานอนอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันเป็นภาษาอังกฤษแต่คิดว่าคงมีใครเปิดทีวีดูในห้องก็เลยไม่ได้สนใจพอในคืนที่สองขณะที่ปิดไฟและกําลังจะเข้านอนหางตาก็เห็นคนเดินไปเดินมาอยู่บริเวณสาบว่ายน้ําจึงสกิดให้เพื่อนอีกคนหนึ่งดูแล้วก็นอนกันไม่กล้าที่จะทักไม่จึงเล่าให้ฟังว่า ที่มนั่งซึมอยู่ในรถไม่ใช่เพราะป่วยแต่ไมยได้ยินเสียงเพลงอยู่ในหูซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรแต่ทํานองของเพลงนั้นมันคล้ายกับที่ฝรั่งคนนั้นร้องให้น้องเบลฟังเพราะน้องเบลเคยทำเสียงนั้นให้ฟังตอนที่เล่าว่าอยู่กับฝรั่งคนนั้นไมยจึงอธิษฐานว่าขอให้พวกเราเดินทางปลอดภัยกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยเถิด แล้วเสียงนั้นก็หายไปหลังจากกลับมาจากหัวหินพวกเราก็ไปทำบุญกันแล้วทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับฝรั่งคนนั้นด้วยน้าของไม้ถึงกับนำน้องเบลไปวัดเพื่ออาบน้ำมนต์แกคิดว่าถ้าคืนนั้นไม้ไม่ไปเห็นเขากลัวเขาจะเอาน้องไปอยู่ด้วยเพราะในสระน้าของที่นั้นสูงระดับอ ก, อกของผู้ใหญ่เลย แถมหลานไม้ก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยแต่สำหรับไม้แล้วไม่คิดว่าเขาคงจะเหงาไม่ได้คิดมาทำร้ายพวกเราเหรอก มหศิว